พระอนุบัญญัติห้าอหอั น, หนึ่งภิกษุใดเก็บหรือใช้ให้เก็บรัตนะหรือของที่สมมุติว่าเป็นรัตนาต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่ในอารามหรือในที่พักอนึ่งภิกษุพึงเก็บหรือใช้ให้เก็บรัตนาหรือของที่สมมติว่าเป็นรัตนะตออ า, าตนตในอราร า, รรารมหรือในที่พักแล้วรักษาไวา้ด้วยตั้งใจว่าเจ้าของจะรับคืนไปนี้เป็นการรำที่สมควรในเรื่องนั้นเรื่องครับใช้ของอนาถาบินทิกะเศรษฐีจบ